พระธรรมตามพระไใจปิดกครั้งที่เก้าสิบหกคุกตารางเขาเอาไว้าใส่คนชั่วใช่ไหมถ้าเราดีอยู่แล้วไปไปกลัวอะไรคุกตารางใช่ไหมเพราะเราไม่ต้องเข้าอยู่แล้วอะ่ะเพราะเราคนดีอะ่ะบาปก็เหมือนกันอะถ้าบาปมันมีอะเราก็ไม่ได้ทําบาปต้องไปเดือดร้อนใจทําไมอันนี้ก็เป็นความอุ่นใจข้อที่สามข้อที่สี่ว่าถ้าเมื่อบุคคลทําบาปบาปไม่เชื่อว่าเป็นอันรมถึงทําบาปก็ไม่เป็นบาปเหมงอนกันเถอะ เราก็ได้พิจารณาเห็นตนเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนนี่เป็นอย่างไรโน่นในหน้าสุดท้ายนะในหน้าสุดท้ายหน้าสามสี่เก้ากล่าวว่าอุเพเยเนวะวิสุทธังอัตานังสมนุปัสสามิความว่าเราพิจารณาเห็นตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุทั้งสองอย่างเหตุสองอย่างก็คือถ้าบาปเป็นอันบุคคลต้องทําเราก็ไม่ได้ทําบาป เมื่อบุคคลทํำบาปมีอยู่เราก็ไม่ได้ทําก็คือสรุปแล้วมีแต่ดีอย่างเดียวอ่ะถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยมีแต่ดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ได้ความอบอุ่นใจอันนี้เป็นข้อที่สี่ใช่ไหมสบายใจเลยอะถ้าเจริญพรห ม, มิหารเนี่ยมีแต่กําไรอย่างเดียวว่างั้นเถอะถึงสิ่งนั้นไม่มีผลก็ถือว่าเสมอตัวไปถือได้ความเพลิดเพลินได้ความสุขในชีวิตไปแต่ถ้าหากว่าผลบุญมีจริงเราก็ได้บุญเออเลยสบายเลยเพราะฉะนั้นแหละ อริยสาวกนั้นมีจิตหาเวรไม่ได้อย่างนี้เป็นใจที่ไม่มีเวรมีจิตหาความเบียดเบียนไม่ได้อย่างนี้มีจิตไม่เศร้ามองแล้วอย่างนี้มีจิตหมดจดแล้วอย่างนี้เธอได้ความอุ่นใจสี่ประการเหล่านี้แลในชาตินี้โอ้สบายใจไปตั้งสี่อย่างนะถ้าเจริญพรห ม, มิหารนไม่ต้องห่วงแล้วไม่ผิดด้วยถึงว่าชาติหน้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่หมขณะที่เจริญเราก็มีความสุข แต่ถ้าชาติหน้ามีเนี่ยใครจะได้บุญเท่าเราใช่ไหมเพราะใจเรามีพรหมิหารอยู่ตลอดเนี่ยโอสบายได้บุญเพียบเลยอะแต่ถ้าบุญไม่มีจริงยังไงเราก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าบุญมีไหมถ้าบุญมีเนี่ยนะถ้าทําบาปแล้วจะเอาบาปไปเก็บไว้ที่ไหนปัญหาสาคัญที่ตดอะนะก็บอกว่าเออบุญบาปไม่มีถ้าเกิดมันมีแล้จะว่าไงถ้าเกิดสมมติอนะบาปไม่มีหรอกแล้วก็พากันทําบาปกันยกใหญ่เลยนะเออถ้าบาปทําไปแล้วจะเอาบาปไปเก็บไว้ที่ไหนอ่ะท่านนีออ้ใครทุกข์อ่ะ เขาบอกว่าถ้าสัตว์ในโลกนี้ไม่มีความทุกข์เลยก็น่าอาจจะพอเชื่อได้บ้างว่าบุญบาปไม่มีจริงแต่นี่ลองดูสิเหรอเนาะถ้าเราจับตาดูพฤติกรรมการกระทําของมนุษย์ในยุคนี้ว่าบุญบาปมันมีอยู่จริงนะกรรมมันจะให้ผลไม่นานด้วยนะยิ่งสมัยนี้เขาบอกว่ากรรมให้ผลดูจะเร็วเหมือนกว่าสมัยก่อนเยอะก็ลองคนทําดีดูสิจะขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆก็ลองคนทําชั่วดูสิหรือเอกในหนึ่งนะถ้ารายใครจับตา ม, มองคนรอบข้างเรานะ คนให้ทานกับคนไม่ให้ทานเนี่ยชีวิตของเขาเป็นยังไงสมมุติว่าพี่น้องญาติตระกูลของเราเลยนะคนชอบทําบุญกับไม่ชอบทําบุญเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมผูก้การเคยจับตาดูไหมมีความแตกต่างหรือเปล่าถ้าคนให้ทานกับไม่ให้ทานเนี่ยแตกต่างกันะถ้าเราค่อยๆสังเกตนะด้วยมองด้วยสายตาที่เป็นธรรมมองด้วยสายตาที่ยุติธรรมจริงๆอะ่ะจะรู้ว่าคนทําบุญกับคนไม่ทําบุญนั้นมีความสุขแตกต่างกันมากเมื่อพระพุทธเจ้าตรัตธรรมเทศนานี้จบแล้ว กาลามชนทูลรับว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นอโอ้ใช่ใช่อย่างนี้แหละใช่แล้วก็คือไอ้เรื่องที่ว่าฟังมาทั้งหมดที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมานั้นน่ะนะที่ท่านเคยได้รับมานั้นให้เทียบเคียงดูก่อนเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใช่ไหมมีโทษหรือไม่มีโทษเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะไหมหรือว่าไม่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะอันนี้เป็นวินิจฉัยข้อแรกให้เอาตรงนั้นเป็นหลัก เสร็จแล้วถ้าเป็นไปได้ท่านทั้งหลายควรเจริญพรหมวิหารสี่ประการเมื่อท่านเจริญพรหมวิหารสี่ประการท่านจะได้ความอบอุ่นใจเพราะก็ยอมรับเออเป็นอย่างนั้นจริงๆเสร็จแล้วก็ทูสะลสารเสริญพระธรรมเทศนาไม่ใช่ว่าชาวกัลามชนฟังธรรมแบบนี้เลยโ อ, อ้ท่านพระสมมมาสดมท่านก็ไม่ควรเชื่อเองนั่นแหละเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฟังกาลามสูตรปับ๊บเออชายชายคำพูดของท่านก็เชื่อไม่ได้เหมือนกัน ไม่ใช่อย่างนั้นนะไอย่างนั้นเนี่ยปกลงอาชาินี้เป็นคนกับเขาก็ไม่ได้เลยอย่าว่าเป็นอย่างอื่นแล้วเป็นคนไม่ได้แล้วก็หมดกันแล้วท่้นในส่วนตรงนี้เราต้องวินิจฉัยให้ออกใช่ไหมเพราะว่าชาวกาลามชนเหล่านี้พอฟังจบก็ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกว่าพาษิทธิ์ของพระองค์ไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ทรงประกาศพระธรรมเทศนาโดยบรลยายางงลาอย่างนั้นหลายอย่าง เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นทางที่จะปฏิบัติแจ้งชัดแก่ปัญญาอุปมาเหมือนบุคคลหายของที่คว่ําเช่นเปิดของที่มีสิ่งกําบังไว้หรือเหมือนบอกทางแก่คนหลงทางหรือเปรียบอย่างการตามตะเกียงหรือจุดประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีในตาจะได้เห็นรูปฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึงทานัก ก็คือเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกถึงสารณะสิ่งที่ควรถึงเป็นที่ทำนักจนตลอดชีวิตจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกลายเป็นว่าถ้าใครฟังไม่ดีบอกไม่เชื่อแม้กระทั่งสูตรนี้ตายนะไอเขาว่ามอีอย่าเชื่อตามตำรา บ, บอกพระไตรปิดกเชื่อไม่ได้ก็แสดงว่าคุณก็ไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าพอไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พุทธศาสนิ ก, กชนแต่ในยะตรงกันข้าม เขาคือเดรัจฉีเพราะเป็นคนที่ทําลายคําสอนเพราะคําสอนว่าไว้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างในกะลามาสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ปั๊บเนี่ยชาวกาลามชนเขานับถือถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่อิงอาศัยเป็นที่เคารพเป็นที่บูชาเป็นที่นับถือขอมอบกายถวายชีวิตเลยเพราะคําว่าถึงสารณะก็คือคนที่มอบกายถวายชีวิตนี้แดรพระพุทธเจ้าพระธรรมและ พระสงฆ์ขอประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพราะเข้าใจมีความเห็นมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสอนเขาไม่ได้สอนให้เขามีโลภะ <c oughs> ไม่ได้สอนให้เขามีโทสะไม่ได้สอนให้เขามีโมหะแต่สอนให้เขาเนี่ยประกอบไปด้วยศรัทธาประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยสุตตะประกอบไปด้วยจาคะประกอบไปด้วยปัญญา สามารถที่จะพิจารณาเห็นบุญเห็นบาปเห็นคุณเห็นโทษเห็นดีเห็นชั่วเห็นดำเห็นขาวเห็นสิ่งอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติถ้าเรามีความเข้าใจปั๊บนะชีวิตของเราก็มีแต่จากความเจริญรุ่งเรืองไปโดยถ่ายเดียวเพราะนวันนี้ก็ได้เอาการมาสูตรให้เราได้มีโอกาสได้พิจารณาตามพระสูตรจริงๆพร้อมทั้งอัตกถาด้วย ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจธรรมผู้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสังสารวัตรซึ่งสังสารทุกข์ความเป็นไปแห่งสังสารทุกข์ที่สัพพะทั้งหลายดำเนินเดินไปอยู่ในวัฏะอย่างตลอดสายพระองค์นั้นทรงรู้แจ้งเหตุความเป็นไปแห่งสังสารวัตรพระองค์ทรงรู้ถึงที่สุดแห่งสังสารวัตรอนั้น และข้อปฏิบัติเพื่อรู้ถอนเพื่อพ้นจากสังสารทุกเหล่านั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนอันประเสริฐซึ่งเป็นคำสอนเพื่อเปิดเผยเพื่อทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งสังสารทุกเหล่านั้นขออบน้อมแด่โมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงตามมัชชิมาปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงทรงแต่งตั้งทรงเปิดเผยทําให้แจ้งประกาศทําให้ตื้นทําที่สุดแห่งกองทุกได้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนะมงคลความเจริญเยือกเยนแห่งจิตใจความเจริญงอบงามในธรรมการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรนายาดยอมทั้งหลายวันนี้ก็ออกอาทิตย์หนึ่งซึ่งเราก็จะได้ร่วมศึกษาพระธรรมคําซ้อน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันการศึกษาในพระพุทธศาสนานั้นเป็นการฝึกเป็นเรื่องของการฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ฝึกความคิดเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นปุริสธรรมสารทิศเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกแล้วก็พระองค์นั้นสามารถฝึกสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไม่มีผู้อื่นฝึกได้ดียิ่งกว่า พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกฝึกเขาเรียกว่าเป็นม้าให้พระองค์ฝึกพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ฝึกเป็นเหมือนกับนายสารถีของพวกเรานั้นเป็นผู้ถูกฝึกเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องฝึกสิ่งที่เป็นเครื่องฝึกนั้นก็คือพระธรรมคำสอนนั่นเองเป็นอุบายเป็นวิธีในการฝึกการหัดถ้าหากว่าผู้ใดสามารถที่จะทรงจำพระธรรมคาสอนได้ น้อมนำเอาคำสอนนั้นมาเป็นอุบายในการฝึกผู้นั้นก็สา ม, มารถที่จะเข้าถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคได้แต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีโอกาสน้อยที่จะทรงจำคำสอนศึกษาคำสอนเอามาฝึกได้คนนั้นเรียกว่าคนมีบุญน้อยทะรัวน้อยทาไงอะนอนในเอยเกิดมาชาตินี้เราเป็นคนทุกคนยากคนยากคนจน นอนต่อเลยเอออย่าไปทำอะไรมันเลยวาสนาไม่ดีคงไม่ใช่อย่างนี้นะครูการ น, นะรู้ตัวว่าแม่เรานี่บุญน้ยอยอัพับอับโชคไร้วาสนานอนต่อเลยดูท่าวาสนาใกล้จะกุดแล้วละ่ะ <c oughs> เพราะว่ายิ่งจะน้อยลงไปอีกทันชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นจะเจริญจะประเสริฐขึ้นได้เพราะการฝึกนั่นเองทันโรงเรียนทางโลกฝึกให้ประกอบสัมมาอาชีพ คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นฝึกเพื่อที่จะรู้แจ้งที่จะทําที่สุดแห่งชีวิตนั่นเองคือเราไม่ปฏิเสธการศึกษาทั้งสองฝ่ายการศึกษาทั้งทางโลกนั้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้เขาจึงเรียกว่าอาชีพอาชีวะเกื้อกูลชีวิตเพื่อการดารงอยู่ต่อไปแต่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพื่ออะไร คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพื่อทำที่สุดแห่งสังสารทุกนั่นเองเพราะนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นเบื้องต้นก็ต้องอาศัยอาศัยอะไรอาศัยศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาเข้าไปหาแล้วนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เงียบโสดลงฟังเออท่านพูดอะไรเออท่านในที่นี้ใครก็คือพระผู้มีพระภาคนั้นทรงกล่าวว่าอย่างไร ถ้าทําคําสอนของท่านเป็นอย่างไรเมื่อเราฟังเราเข้าใจแล้วส่งจําเอาไว้จําเอาไว้แล้วมาเป็นเครื่องฝึกเครื่องหัดเครื่องดัดเครื่องอ บ, บรมนั่นเองเอาไปปฏิบัติตามเหมือนกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าโอ้เราเนี่ยเกิดมาตาไม่ดีสายตาสั้ตนตาเอียงตาเขอย่างนี้ใช่ไหมก็เข้าไปในร้านแว่นหมอก็วัดสายตาประกอบแว่นให้พอไปตัดแว่นได้แว่นมาเสร็จทําไงอ่ะเอาไปเก็บโอ้ได้แว่นแล้ว อันนั้นยังไม่ชื่อว่าประสบความสำเร็จต่อเมื่อมาสวมใส่ประโยชน์ของการสวมใส่เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ทํากิจนั้นๆอย่างสำเร็จชันใดการศึกษาพระธรรมคำสอนของเราทั้งหลายก็เหมือนกันก็เหมือนกับเราเข้าไปตัดแว่นนั่นแหละเพื่อที่จะเอามาสวมจะได้มองเห็นชัดขึ้นมองเห็นโลกมองเห็นชีวิตมองเห็นความเป็นไปของของตัวเรานั่นเอง ชีวิตของคนเราทั้งหลายนั้นที่ดำเนินเดินไปในสังสารวัตรมีอยู่สี่อย่างด้วยกันอย่างข้อความในอังคุตรนิกายจตุการนิบาตธมะสตรซึ่งเราก็มาฟังในวันนี้เป็นความกรุณาของคุญญณยมผู้การธนัตได้ถ่ายเอกสารมาแจกให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสใกล้ชิดพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า อย่าลืมว่าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย <_ S 2> ตนในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงกุศลธรรมให้เราทั้งหลายมีกุศลธรรมเป็นเกาะมีกุศลธรรมเป็นที่พึ่ง <_ S 1> ให้มีธรรมะเป็นเกาะให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งอ <_ S 2> ั้นธรรมะที่จะเป็นสาระเป็นที่พึ่งของเราก็คือคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า การที่เราใกล้คำสอนของพระองค์ก็เท่ากับเราใกล้ชิดพระองค์เมื่อเรารู้จักคำสอนของพระองค์ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นั่นแหละเรียกว่าพระสงฆ์พรานเราทั้งหลายก็จะมีชีวิตที่ใกล้สาระใกล้ที่พึ่งทัานเราเป็นผู้ที่มีที่พึ่งแล้วไม่ใช่เป็นคนกัมพระไม่ใช่คนอนาถาทางจิตใจพูดตามภาษาธรรมดาเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยมีที่พึ่งหรือยัง โอได้ยินเสียงนี่มีที่พึ่งหรือยังหันใจเข้าหันใจออกเหมืนอนกันสายสารหายใจเข้าหายใจออกนี่มีที่พึ่งหรือยังทานอาหารจบัจบจบัจบจบับมาอิ่มสบายขณะนั้นมีที่พึ่งไหมปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ไม่สบายสุขภาพไม่ดีหรือสุขภาพดีก็ตามขณะนั้นเรามีที่พึ่งไหมนึกคิดเรื่องราวต่างๆเรามีอะไรเป็นที่พึ่ง เรามีอะไรเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเรามีอะไรเป็นสาระในการดําเนินชีวิตเหล่านี้อันถ้าหากว่าเรามีคำสอนปุ๊บเราจะรู้เลยว่าโอ้เราไม่กำพาแล้วตามองเห็นเราก็นึกถึงคำสอนหูได้ยินเสียงเราก็นึกถึงคำสอนจมูกรู้กลิน่นเราก็นึกถึงคำสอนลิ้นรับรู้รสเราก็นึกถึงคำสอนกายรับกระทบเยน็นร้อนอ่ อ, อนแข็งตึงไหวใจเราก็นึกถึงคาสอน ใจนึกคิดเรื่องราวต่างๆเราก็นึกถึงคำสอนคำสอนท่านกล่าวว่ายอย่างไรคนที่มีพ่อมีแม่นะพ่อแม่บอกก็คือคนไม่กัมพามีผู้แนะนำแต่ถ้าคนกัมพานึกอะไรไม่ออกสักอย่างเลยฉันได้แต่ถ้าหากว่าเราศึกษาพระธรรมคำสอนเราจะรู้เลยว่าเรามีอะไรเป็นที่พึ่งเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยทุกคนมองเห็นกันหมดเลยขออภยัยนะสัตว์ที่มีภพภูมิต่ำกว่าเราเขาก็มองเห็น นับตั้งแต่หมูหมากาไก่วัวควายเป็นต้นเขาก็เห็นเหมือนเราเห็นแหละคนในโลกนี้ที่มีตาเขามองเห็นกันทุกคนใครที่มีตามองเห็นหมดเลยเว้นแต่คนไม่สายใจที่จะเห็นชาวบ้านเห็นก็เหมือนกันชาวเมืองเห็นก็เหมือนกันทั้งไทยทั้งเพศฝรั่งอินเดียแขกเห็นเหมือนกันหมดเทวดาก็มองเห็นเออการเห็นเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันตรงที่ว่า ผู้ใดมีสารณะหรือไม่มีสารณะถ้าคนธรรมดาเห็นก็เห็นแล้วเห็นแล้วอกุศลมันเกิดอะเห็นแล้วโกรธเห็นแล้วโลภเห็นแล้วหลงทำไมจึงโกรธเพราะไม่ชอบสิ่งที่ถูกเห็นทำไมจึงเห็นแล้วชอบเพราะอารมณ์ที่เห็นมันดีเลยชอบทำไมจึงหลงเพราะไม่พิจารณาความจริงเหล่านั้นนั้นพระองค์จึงสอนให้สำรวมทางตา การสัมรวมทางหูการสัมรวมทางจมูกการสัมรวมทางลิ้นการสัมรวมทางกายการสัมรวมทางใจการสัมรวมทางวาจาเป็นความดีบุคคลเมื่อสัมรวมทวารทั้งปวงแล้วย่อมพ้นจากทุกได้สัมรวมอย่างไรไม่ให้เห็นใช่ไหมชื่อว่าสัมรวมเรียว่าเหลือบตาลงต่ำๆหน่อยอย่างนี้ชื่อว่าสัมรวมไหมใช่ไหมหรือว่าเออสัมรวมตานะสมมุติว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งที่เราชอบนะแอบๆดูอย่างนี้หรือเปล่าชื่อว่าสัมรวมอ่ะ ไม่กล้าดูตรงๆแลยแอบๆดูซะหน่อย อ, อย่างนี้สำรวมไหมยังถ้าใจเป็นโลภะชื่อว่าไม่สำรวมมองเห็นใจเป็นโทสะใจเป็นโมหะอย่างนี้ไม่สำรวมทั้งนั้นแหล ะ, ะเมื่อไม่สำรวมลักษณะเหล่านี้แหละเรียกว่าคนกัมพาและคนไม่มีที่พึ่งขณะนั้นๆั้นใช่หมขณะนั้นนั้นเราไม่มีที่พึ่งแล้วนะถ้าจุติขณะที่โลภะโทสะโมหะเกิดหวังได้เลยว่าอบาย พระองค์กล่าวไว้อย่างนั้นจิตเศร้ามองทุคติหวังได้ใจที่ใกล้ตายถ้าเป็นใจที่เศร้ามองจริงๆอยู่ขณะนั้นไม่ได้ทำกรรมอะไรมากที่ล่วงอกุศลกรรมบทแต่อากุศลขณะนั้นนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับนายหน้าเป็นนายหน้าชักพาเราไปพูดอีกในหนึ่งก็เป็นเหมือนกับพ่อสื่อแม่ชักน่ะชักไปหาคนดีก็ดีไปชักไปหาคนชั่วกว็เลวไปฉันชาวนาจิต หรืออกุศลจิตที่เกิดใกล้จะตายก็ลักษณะเดียวกันเปี้ยเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้สังวรให้สำรวมระวังสังวรสำรวมระวังอย่างรายใจไม่เป็นบาปใจไม่เป็นอากุศลดังนั้นการสำรวมมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันสำรวมด้วยหนึ่งสีลสังวรสำรวมด้วยศีลเออมองเห็นยังไงเรียกว่าเป็นศีเนี่ยเขาเรียกว่าศีลสังวร สัมรวมปิดกั้นเอาศีนมาเป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นไม่ให้โลภะโทสะโมหะมันเกิดถ้าสังวรต่อไปอ่ะสังวรต่อไปเรียกว่าสติสังวรคนมีสติมองคนมีสติก็คือสามารถที่จะระลึกรู้แยกแยะดีแยกแยะชั่วมองเห็นคุณมองเห็นโทษได้เพราะว่าสตินี้เป็นเครื่องตรวจสอบตรวจตราถึง ผลได้ผลเสียในขณะที่เห็นเออถ้าเห็นปล่อยใจอย่างไงเสียหายอย่างไรเห็นแล้วถ้าหากว่ามีการพิจารณาแล้วได้ดีอย่างไรสติเป็นเครื่องวินิจฉัยสติกับสัมปชัญญะเป็นธรรมะคู่กันถ้ามีสติสังวรมีปัญญาเกิดร่วมด้วยเรียกว่ามีญาณสังวรมีปัญญาเป็นเครื่องสังวรปัญญานี้เป็นเครื่องปิดเครื่องกั้น ปัญญานี้เป็นเครื่องวินิจฉัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารเมื่อเป็นสังขารเป็นไปตามปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีใช่หมเมื่อมีตาตาก็เป็นอายตนะอายตนะมีเพราะอะไรมีอายตนะมีเพราะมีนามรูปนามรูปเหล่านี้มีเพราะอะไรมีเพราะมีวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรมีเพราะมีกรรม กรรมก็คือกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมทำไมจึงมีกรรมเพราะอาวิชชามันก็ไล่ไปสามารถที่จะเรียนรู้ถึงความไม่จีรังยั่งยืนความไม่คงทนไม่ทาวอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลายอันนี้เรียกว่ามีญาณ ส, สังวรสังวรสำรวมด้วยปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าไปประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานั่งอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่โกรธ ไม่เสียใจไม่เศร้าใจอันนี้เรียกว่ามีขันติสังวรเจอเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างไรขึ้นจิตใจก็ไม่โดร้ายไม่โกรธเคืองทนได้รอได้อันนี้เรียกว่ามีขันติสังวรหรือถ้าหากว่าจะสังวรสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นวิริยะสังวรเพียนอย่างไรใจจะไม่เป็นอกุศลเพียนอย่างไรใจจึงจะพอกพูนในกุศลธรรมนั้น พถ้าหากว่าสังวรอย่างนี้ทั้งห้าอย่างคือศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรถ้ามีสังวรห้าเหล่านี้ทางตามีสังวรห้าทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางวาจาทางใจถ้ามีสังวรทั้งห้าประการในทวารห้าเหล่านี้บุคคลเหล่านั้นก็จะบ้นจากกองทุกได้ แต่ถ้าหากว่าขาดสังวรเหล่านี้ก็ไหลไปกับดีไหลไปกับชั่วมาดูตมะสูตรตมะเนี่ยแปลว่ามืดสูตรที่อุปมาด้วยความมืดเหมือนกันธรรมะกับโชติเนี่มันตรงกันข้ามก็ความในอังคุตรนิกายเจตุการนี่บาตธรรมะสูตรว่าด้วยบุคคลในโลกสี่จำพวกดูกรพิสูทธ์ทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกคือใคร ตโมตมะปรายโนบุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้ามืดมาแล้วก็มืดไปสองตมโมโชติปรายโนบุคคลมืดมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าข้อที่สามก็ชโชติตมะปรายโนบุคคลสว่างมาแล้วมีมืดไปภายหนะ้าเรียกว่าสว่างมาแต่มืดไป โชติโชติปรายโนบุคคลสว่างมาแล้วมีสว่างไปในภายหน้าอันบุคคลผู้เป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยมีอยู่สีลักษณะนี่แหละเมื่อเกิดมาแล้วอนะมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนสลับสับไปกันอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พระองค์ก็มีตถเทตุกรรมยตาปุชชา ว, ว่าบุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้าเป็นไงนะ บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานก็ดีตระกูลจัดสารตระกูลพรานตระกูลช่างหนังตระกูลคนรับจ้างเพขยะทั้งยากจนทั้งขัดสนข้าวน้ำของกินเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นหาอาหารและเครื่องนุ่งห่มได้โดยฝืดเครื่องซ้ำเป็นคนขี้ริ้วขี้เรี่ยเจี๊ยแคะมากไปด้วยโรคตาบอดบ้างเป็นง่อยบ้างกระจอกเปลี้ยว ไม่ใคร่ได้ข้าวได้น้ําผ้าเขาเรียกว่าหาข้าวหาน้ําหาผ้ายวดยานภาฮนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูกใยที่นอนที่อยู่และเครื่องประทิปอย่างฟืดเครื่องหาปัจจัยสี่เครื่องอาศัยนี่ยากเหลือเกินบุคคล น, นั้นยังประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครั้นประพฤติทุจริตคือความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจยแล้วกายแตกตายไป เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกอย่างนี้แลบุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปในภายหน้ามืดมามืดไปบุคคลที่มืดมานั้นเราสามารถที่จะพิจารณาได้ในชีวิตของคนที่เกิดมาในโลกนี้เราก็มาแบ่งออกสองอย่างสิว่าคนในโลกนี้ตระกูลรวยกับตระกูลจนเนี่ยไหนมากกว่ากันตระกูลดีกับตระกูลไม่ค่อยดีนไหนมากกว่าใช่ไหม ฉันตระกูลที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมีมากกว่าเออในตระกูลธรรมดานะั้นอ่ะพอเกิดในตระกูลต่ําตระกูลต่ําเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอาชีพเมื่อเกิดในตระกูลต่ําใช่ไหมตระกูลไม่ค่อยดีโอแสดงว่าฐานะการเป็นอยู่เนี่ยลําบากพอเกิดในตระกูลอย่างนั้นเข้าอาชีพก็ไม่ดีเพราะความยากจนเข็นใจเกิดในตระกูลจันทานจันทานเนี่ยนะในประเทศอินเดียมีสีว่วรรณะด้วยกัน ว, วันณะที่หนึ่งเรียกว่ากษัตริย์วันณนพราหมวันหน้แพทย์วันณะสูตรวันณะ้สี่วันณะ้นี่เขายอมรับกันแล้วมีวันณะอีกตัวหนึ่งเรียกว่าวันณะ้นอกนอกวันณะ้าเลวมากว่างั้นชั่วมากก็คือถ้าหากว่าคนวันณะ้สองวันณะมาผสมกันเข้าเกิดมาผิดกันอย่างเงี้ยอันนี้ตกไปเป็นตระกูลจันทารตระกูลจันทารนั้นเป็นตระกูลที่ต่ําที่สุดคิดด <hogy S 2> <padding. S 1> ูนะถ้าหากว่าคนที่ตระกูลสูงเนี่ยสมมุติถ้าคนตระกูลผู้ดีเลยนะ เดินไปเห็นคนตระกูลจันทานเนี่ยโอ้โหวันนี้จังไรหน้าดูเลยซวยมากอุบาทมากวันนี้เสียหายแล้วกลับรีบไปเอาน้ําล้างตาเลยโอมซวยขนาดนั้นนะเรียกว่าชีวิตของคนจันทานเนี่ยนะต่ําต้อยด้อยสักกว่าเดรชาญเขาว่ากั้นเรียกว่าถ้าเดรชานเนี่ยสมมติในบอ่อมีสระน้ํามีบ่อน้ํสาสัตว์เดรชานมีสิทธิ์ไปกินแต่คนจันทานไม่มีสิทธิ์ไปกินในน้ําบ่อนั้นเขาถือว่ามันซวย เกิดมาเนี่ยมันถูกเหยียดยามทางสังคมทุกสิ่งทุกอย่างถูกเกียดกันแม้แต่การศึกษาการเล่าเรียนคนเรานั้นถ้าหากว่าไร้การศึกษาขาดการเล่าเรียนขาดความรู้ทําไงการประกอบอาชีพก็จะต้องเย็ดถักปักรอยถ้าหากว่าไม่ได้ครูดีอาจารย์ดีมีฝีมือแนะนําก็เป็นยังไงฝีมือก็ตกตา่าการผลิตนั้นๆก็มีค่าน้อย เห็นไหมตระกูลรับจ้างเทขยะบางเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเทขยะร่ำรวยก็มีแต่คนที่เทขยะแล้วยากจนก็มีแต่ตรงนี้ประสงค์เอาคนเทขยะยากจนคําว่าเทขยะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยอาจจะมองออกแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะประเทศอย่างประเทศก่อนๆเนี่ยยุคสมัยพุทธกาลเป็นต้นเขาไม่มีซุวมหรอกเขาก็จะถ่ายลงในพวกโถอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหม เสร็จแล้วเอาดอกไม้มาปักข้างบนจะมีคนรับเอาไปเทพวกนี้แล้วล้างผาเนะมาส่งคืนอมีคนที่ทําอาชีพนี้ก็มีเรียกว่าพวกเทดอกไม้เทดอกไม้นี่อย่าไปนึกว่าเอาดอกไม้จากกระถางทู ก, กระถางเทียนไปนะแต่เป็นอุจจาระที่เขาถ่ายลงในกระโถแล้วเอาดอกไม้มาปิดพวกนี้เทินบนหัวแล้วเอาไปทิ้งเสร็จแล้วล้างเอามาส่งคืนเขาอย่างดีเลยขนาดประกอบอาชีพอย่างนี้ก็แรนแคนความเป็นอยู่เนี่ยนะทั้ง ข้าวน้ำของกินเนี่ยก็กินอย่างทุกอย่างยากอย่างอดอยากหิ้วห้อ ย, ยทุกทรมารจะกินข้าวว่าเย็นจืดชืดนั่นแหละบางคนเนี่ยถ้าไม่บูดก็ไม่ให้เพรงั้นจะจะกินข้าวก็ใกลจะบูดนั่นแหละอั้นชีวิตความเป็นอยู่นี่แรแน้นแค้นหาอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่างหน้าหนาวอย่างนี้หลายท่านมีผ้าห่มนอนอุ่นๆ อ, อ, อยู่ในบ้านอยู่ในช่องแต่คนที่หนาวเน็บเนี่ยนะก็มีตกไปล้จะโอ้เนี่ยกรีบละบางคนเนี่ยไปหาฟืนมาแล้ว เตรียมฟืนไว้พอเย็นเข้ามาหน่อยก็เริ่มจุดไฟดังไฟละพอมาพิงบางคนเนี่ยนอนพิงไฟอยู่ดีๆเนี่ยมันได้รับความอบอุ่นเข้ามันง่วงอะ่ะพอมันง่วงปั๊บก็หลับไปขณะที่หลับบางคนเนี่ยมันอดหลับอดนอนมาแล้วมานานแล้วเพราะว่ามันหนาวมากอะ่ะหนาวก็นอนไม่หลับก็นอนไม่หลับเข้ามันหลับสนิทไปเลยขาดมันนาศิการเจตสิกมือเนี่ยเอาไปวางไว้ในกองไฟยังไงไฟเนี่ยไม่หมด บางคนนี่เอาเท้ายัดเข้าไปในกองฟืนน่ะแหละผสมกับฟืนเข้าโอมติดดิงกันนะโอ้เจ็บปวดอย่าบอกใครเลยคนที่เป็นแผลหน้าหนาวเนี่ยทรมานที่สุดก็ลองดูนะถ้าลองอ่าเป็นหน้าหนาวภาคอีสานเนี่ยยอมเลยเขาบอกว่าหนาวภาคอีสานเนี่ยเรียกว่าหนังมันแตกเลยผิวแตกอ่ะเพราะมันเจ็บแสบระบมหมดแหละเออถ้าคนที่เขามีบุญหน่อยนะมีบุญหน่อยพอมีสตังค์หน่อยก็ ไปซื้อพวกครีมพวกโลชั่นพวกน้ำมันมากอะเป็นต้นมาทาก็ค่อยยังชั่วหน่อยพอประดังแก้ความเจ็บความปวดไปได้บ้างบางคนเนี่ยจนเนี่ยไม่สามารถจะหาได้อาหาร ก, ก็กินจืดชืดบางคนเนี่ยนาวเน็บอย่างนั้นเนี่ยนะเขามื้อเช้าเขาไม่มีอะไรกินหรอกอย่างของเรายังคอยยังชั่วเนีย่ยยังมีตลาดมีอะไรไปจับไปจ่ายมาได้อย่างน้อยน้อยเนี่ยถ้ามีสตังเนี่ยรู้แล้วว่าของมันตายอยู่ในตลาดรอเราแล้วล่ะยังไงไปนี่ไม่อดตายแน่ แต่ของเขาเนี่ยลูกหลานรออยู่ที่บ้านสามคนสี่คนห้าคนถือเบ็ดไปแล้วถือเบ็ดโนนไปหากุ้งหาหอยหาปู ห, า ป, หาปลาชีวิตของคนเหล่านี้เนี่ยถ้าสัตว์ไม่ตายเขาไม่โตถ้าหากว่าปลาไม่ตายเขาไม่โตอย่าว่าใครเลยของอดัมาเ น, นี่แหละยังนึกถึงโอ้ยโยมพ่อเนี่ย ท, ทําบาปทํากรรม่าจะเลี้ยงโตขนาดนี้โยมไม่ธรรมดาเหมนกันนะ เนี่ยคราบอกว่าทําบาปเพราะเหตุแห่งบุตรภรรยาเนี่ยไม่ใช่น้อยนี่เราก็นึกถึงถ้าหากว่ามือไหนเขาขี้เกียจไม่อยากไปหาอยากจะนอนพักสบายๆไม่ได้นะแม่บ้านบนิคไม่หาอยู่หากินลูกหลานมันจะกินอะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะไปโรงเรียนแล้วมันจะห่อข้าวไปกินยังไงอันความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยทุกข์ยากชีวิตของเขาเนี่ยนะไม่ข่าไม่ได้กินแล้วแต่ละมื้อเขาไม่ได้ข่าตัวเดียวด้วยนะ ไม่ใช่เขาฆ่าตัวหนึ่งแล้วเ อ, อพอแล้วหรือฆ่าสองตัวจึงจะพอถ้ากุ้งฝอยตัวเล็กๆ เ, เนี่ยนะครึ่งกะลามังมันจะกี่ตัวดีโยะถ้าปลาเซลเนี่ยตัวเล็กๆบางคนเอาไซเนี่ยไปดักไว้ปลาขึ้นปลาลงดักไซเนี่ยนะแต่ละมือเนี่ยเขาฆ่าสัตว์เป็นพันๆตัว